สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาล น, นะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่8พระธรรมหนึ่งพงศษบทที่8ข้อที่22่สิจนถึงข้อที่30ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วโซโลมอนประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเจ้าต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกลางพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์และทูลว่า ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ในสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขาพระองค์ได้ทรงกระทำกับดาวิดบิดาของข้าพรองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์ตามบรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ท่านพระองค์ตรัดด้วยพระโอษของพระองค์และพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้ด้วยพระหาตของพระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่ง อ, อิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทรงทํารงอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดราชบิดาของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านว่า ถ้าเพียงแต่ลูกหลานทั้งหลายของเจ้าเระมั่ระวังในทางดำเนินของเขาที่จะดำเนินไปต่อหน้าเขาอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งต่อหน้าเราที่จะนั่งบนบันลังของอิสราเอลเพราะฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขอพระรจนะของพระองค์จงดำรงอยู่ซึ่งพระองค์ได้ตรัดกับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดบิดาของข้าพระองค์ แต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดแต่ขอพระองค์สนพระไทยในคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคําวิงวอนนี้ข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรง สดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้เพื่อว่าพระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยู่เหนือพรนิเวศนี้ทั้งกลางคืนและกลางวันคือสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าน้ำของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อว่าพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะได้อธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลชนชาติของพระองค์เมื่อเขาอาธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้ขอพระองค์ทรงสดับอยู่ในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอพระองค์ทรงประทานอภัยพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เรียกว่าเป็นคําอธิษฐานที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ครับเขาเรียกว่า the longest prayer in the bible ก็คือเป็นคําอธิษฐานของโซโลมอนที่อธิษฐานเมื่อเขาได้ถวายพระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเมื่อเขาสร้างพระวิหารเสร็จนั้นเขาก็ได้สรรเสริญพระเจ้ามีการถวายพระวิหารและในการถวายพระวิหารนั้นโซโลมอนได้ทูลอธิษฐานซึ่งเป็นคําอธิษฐานที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในคัมภีร์ที่ยาวที่สุดครับพี่น้องครับเราได้ วิเคราะห์คำอธิษฐานนี้นะครับคำอธิษฐานนี้จะเริ่มตั้งแต่ในข้อที่22จนถึงข้อที่53เลยครับคำอธิษฐานนี้ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่พันธสัญญาของโมเสสครับพันธสัญญาที่พระเจ้านั้นได้ทำไว้กับโมเสสตกทอดมาจนทั้งถึงดาวิดและโซโลมอนอาจจะกล่าวได้ว่าคำอธิษฐานนี้โซโลมอนนั้นได้ตั้งไว้อยู่บนพื้นฐาน ของพันธสัญญาที่พระเจ้าทากับโมเสสบนภูเขาซีนายภาษาอังกฤษใช้คาว่า Mosaic Covenant ก็คือว่าพันธสัญญาบนภูเขาซีนายที่พระเจ้าทากับโมเสสพี่น้องครับนอกจากจะเป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วก็ยังมีคำอธิษฐานขอ7ประการนะครับ ในตั้งแต่ข้อที่31เป็นต้นไปเป็นคําอธิษฐานขอ7ประการครับอย่างนี้ก็ตามครับในเช้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเป็นคําอธิษฐานก่อนที่จะเป็นคําอธิษฐาน7ประการนี้โซโลมอนนั้นได้ใช้คําว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้ า, ha, จานั่นหมายความว่าโดยตามตัวอักษรนั้นโซโลมอนกําลังอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยาวาวะพระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องครับทั้ง3ามข้าแต่นะครับได้บันทึกไว้อยู่ในข้อที่23นะครับข้อที่ยีบันทึกว่าข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าแห่งอิสราเอลนะครับข้อที่25บันทึกว่าข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้อที่28ได้บันทึกว่าข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องครับ ทั้ง3ค่าแต่นี้ก็ทำให้เราพบกับ3าประเด็นของคำอธิษฐานในเบื้องต้นก่อนที่โซโลมอนจะขออีก7ประการค่าแต่แรกที่เราจะเช้าดูในเช้าวันนี้ครับก็คือค่าแต่พระเยาวาแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ในสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาพี่น้องครับ พันธสัญญานี้ก็หมายถึงพันธาที่พระเจ้าได้ให้กับโมเสสและพระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเขาต้นหมายถึงกษัตริย์ดาวิดครับพระเจ้าได้ทรงทำสัญญากับกษัตริย์ดาวิดบิดาของโซโลมอนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระสัญญาทั้งหลายที่พระเจ้าทํากับดาวิดนั้น พระเจ้าตรัส ด, ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้นั่นหมายความว่าการสร้างพระวิหารก็เสร็จในวันนี้และเป็นการถวายพระวิหารที่กำลังกระทําอยู่ที่นี่ณเวลานี้เดี๋ยวนี้พี่น้องครับเราเขีนว่าคําอธิษฐานนะครับที่บอกว่าฆ่าแต่พระเยาววาพระเจ้าอิสราเอลนะครับโซโลมอนได้อธิษฐานโดยที่ เขารู้จักพระเจ้าผ่านทางบิดาของเขาคือดาวิดโซโลมอนรู้จักพระเจ้าค่อนข้างมากครับรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในสวรรค์เบื้องบนหรือในแผ่นดินเบื้องล่างและรู้ว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาและสําแดงความรักมั่นคงกับคนที่เดินนะครับเดินอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจนั่นคือประการแรกครับก็คือว่า โซโลโมอนกำลังอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้พันธสัญญารักษาพันธสัญญาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทั้งแผ่นดินโลกเบื้องล่างและฟ้าสวรรค์เบื้องบนและในขณะเดียวกันครับลักษณะของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงสําแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ที่รักพระองค์สุดจิตสุดใจนั่นเองพี่น้องครับนั่นคือประการแรกครับประการที่2หรือข่าแต่ที่2ครับ ก็คือข่าแต่พระเยาว์อิสราเอลขอทรงทํารงอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์และขอที่จะทําตามพระสัญญาของพระเจ้าครับถ้าเพียงแต่ลูกหลานทั้งหลายของเจ้าระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่จะดําเนินไปต่อหน้าเราเจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งที่จะนั่งบนบันลังของอิสราเอลพี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนกําลังทูลขอ ทูลขอให้พระเจ้าได้ลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ที่ทำต่อดาวิดทูลขอแรกข้าแต่พระเยาววาโซโลมอนกำลังบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้พันธสัญญาและรักษาพันธสัญญาทูลขอที่สองข้าแต่พระเยาววาพระเจ้าอิสราเอลขอพระองค์ทรงโปรดที่จะทำตามสัญญาของพระองค์ทูลขอที่สามครับด้วยพระเจนะของพระเจ้านะครับในข้อที่28 ข้าแต่พระเยววาพระเจ้าของข้าประงขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้อธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้ขอทรงสดับฟังครับขอทรงลืมพระเนตรลืมพระเนตรของพระองค์อยู่เหนือพระนิเวศ ท, ทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับพูด ง, ง่ายๆคขอพระเจ้าลืมตามองดูเราขอพระเจ้าเปิดหูสดับ ฟังเสียงร้องของเราโซโลมอนกาลังอธิษฐานว่าขอให้พระองค์ทรงลืมตาเหนือพระนิเวศนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือสถานที่ที่พระเจ้าได้ตรัสว่าน้ำของเราจะอยู่ที่นั่นพี่น้องครับอันนี้คือคําอธิษฐานที่ขอพระเจ้าโดยพลักษณะของพระเจ้าและคําสัญญาของพระเจ้าและเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าขอพระองค์ทรง ฟ, งฟังเสียงร้องทูลของพวกเขา พี่น้องครับในข้อที่30เป็นข้อที่ประทับใจผมมากที่สุดครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งครับและขอพระองค์ทรงฉ ด, ดับคําวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลชนชาติของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้ขอพระองค์ทรงฉ ด, ดับอยู่ในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และเมื่อทรงส ด, ดับแล้วก็ขอพระองค์ทรงประทานอภัยพี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นะครับ ไม่สามารถที่จะขออะไรจากพระเจ้าได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ให้อภัยโทษบาปของเขาเสียก่อนนั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนสอนชีวิตของเราในเช้าวันนี้หากเราจะทูลขอจากพระเจ้าครับพี่น้องครับในข้อที่22โซโลมอนยืนอยู่นะครับถ้าเราดูในพระธรรมสองพงศสวัดานบทที่6ข้อ12เราเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อยืนแล้วนะครับโซโลมอนคุกเข่าลงครับ มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงท่าทีหรือท่าทางที่ท่านคุกเข่าลงและยื่นมือของท่านขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์เป็นท่าทีที่แสดงถึงท่าทีในใจครับเป็นท่าทีที่ยกย่องพระเจ้าและทำให้ตัวเองนั้นตกต่าลงต่าต้อยลง พี่น้องครับนี่คือท่าทีที่สําคัญมากเวลาที่เราอธิษฐานเราจะต้องยกจ่องพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนและเราต้องรู้ว่าเราต่ําต้อยขนาดไหนและเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในใจของเราในการสแสวงหาหนามัตย์ไทยของพระเจ้าโซโลมอนในที่นี้เขาได้อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของโปรง่งและพลักษณะของโปร่งเป็นประการแรกประการต่อไปท่านก็ได้อธิษฐาน โดยที่ขอให้พระองค์ได้ทรงรักษาสัญญาที่ทำไว้ตามโภชนะของพระเจ้าและอันที่สก็คือทูลขอด้วยการวิงวอนครับว่าขอพระเจ้าได้เปิดหูเปิดตาของพระองค์นะครับสะดับฟังเสียงร้องและลืมพระเนตรของพระองค์อยู่เนือคาอธิษฐานนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าสู่การอธิษฐานด้วยการ เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าเห็นถึงพระสัญญาของพระองค์และขอพระเจ้าที่จะสับฟังคำอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายโดยที่ขอการอภัยโทษก่อนครับขอการอภัยโทษก่อนและพระเจ้าจะสามารถที่จะสดับฟังคำอธิษฐานของเราได้และคําอธิษฐานของเราทุกคําครับก็จะไปถึงพระเนตรและประกันของพระองค์อย่างแน่นอนอามนีน